ที่อยากให้คนดีไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าไปได้พระโอวาทที่ประทานไว้แก่โลกเพื่อโลกเป็นคนดีทั้งนั้นเป็นคนดีมีความสุขไม่ต้องการความเดือดร้อนเื้อหายอันเกิดจากความทั่ขของการกระทาเพราะความไม่เลี่ยงวิธีปฏิบัติตัวเองนั่นเลย การที่จะสร้างพระบารมีให้ถึงความเป็นเจ้าผู้มีพระเมตตาอันเปี่ยมต่อสัตว์โลกนั้นจึงเป็นการลำบากผิดกับบารมีทั้งหลายอยู่มากความสามารถกับพระเมตตามีกำลังไปรงพร้อมๆกันถ้าต่างคนต่างได้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 ทั้งกลางวันกลางคืนมีความร่มร้อนอยู่ตลอดเวลาได้โดยไม่ต้องไปถามพานรกขุมไหนลูกไหนมันสร้างคือที่หัวใจท้องคนแล้วก็ ร, ระบาดสากระจายไปทุกแห่งทุกหนเลยกลายเป็นไฟไปด้วยกันจะทั้งหมดน่ะี่เพราะความผิดทั้งนั้นไม่ได้เพราะความถูกต้องดีงามถ้าเป็นไปตามหลักธรรมของลูกจ้าแล้วเรื่องเหล่านี้จะไม่มีว่าอะไรผู้พักษาส า, สารดีกาสารอุทรสารอะไรเหล่านี้มันไม่มี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 ฟังกันเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติกันหน้าอย่างรวดเร็วท่าทีโลกมันไม่ได้เป็นไปตามใจหวังไปอยู่ในฐานที่ใดบ่นแต่ความทุกข์ความร้อนเราสาัมรักษาวุ่นวายไปหมดทั้งแผ่นดินทั้งๆ ท, ที่ต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างหาความรู้แล้วความรู้นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเอามาเผาตัวเท่านั้นนี่เพราะความรู้ประเภทนี้เหล่านี้ไม่มีทางเขาเครือแฝงไม่มีทางเข้าเป็นเบรก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 ลำพังเราก็คือปฏิบัติตัวงเราให้เป็นคนดีแล้วอยู่ในสถานที่ใดอาร์บด์เราแล้วก็ยนินะความเยน็นความพ้าสุกสบายเกิดขึ้นจากความถูกต้องทางการกระทำของตอนเองความเย็นจึงมีขึ้นที่ีมันมีขึ้นที่ใดแล้วคำว่าความถูกต้องความเย็นนั้นมีเป็นขั้นๆภาพ ท, ทั่วไปก็ มีได้ทุกคนถ้าตั้งใจประเพิปฏิบัติให้มีความร่มเย็นเป็นสุดโลกนี้ก็เป็นโลกผาสุขร่มเย็นน่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นเดินบันเทิงถ้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นปูกติดจะปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญภายในจิตใจยิ่งขึ้นกว่าภาคทั่วท่วไปส่วนทั่วๆไปนี้ก็พยายามบำเพ็ญตน ให้ฉันหมดกดขันหรือขอยับตัวเข้าไปตามลําดับแห่งความมุ่งหวังทีงตรความสูงพระปรากฏขึ้นมาแต่เพาะอย่างยิ่นเป็นผู้สนใจทางทางจิตปาภาวนานี่เป็นเรียกว่าถ้าว่าเป็นแนวโรบเป็นการเข้าสู่สงครามก็เรียกว่าเป็นแนวหน้าทีเดียวจาพวกนี้จําพวกแนวหน้าความมุ่งหวังขนาดนั้นแล้วเราจะทำอ่อนแอไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความเข้มแข็งมีความเข้ ม, ม ก, กวดขันตนเองอยเสมอผลสุดท้ายก็เลยกลายเป็นผู้มีสติตังอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นก็ไม่จะว่าเป็นผู้เข้มแข็งโดยเหตุโดยผลได้เนี่ยความเข้มแข็งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสติปัญญาการาระมัดระวังความเคลื่อนไหวไปมาของตนว่าจะเป็นไปญญาทางถูกหรือผิดจะพ อ, อย่างยิง่งจิตจะคิดไปในทางใดที่จะส่งสมความไม่ดีงามขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นความผิดแง่ซึ่งเป็นส่วนละเอียด ก็ต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องระมัดระวังรักษาช้้วดกวดขันที่ตลอดเวลากระจาย้องจิตด้วยความคิดคอมปุงก็ไม่ไปกว่านาอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเผาโตนๆให้รับความเดือดร้อนนี่ก็เย็นนี่เย็นขึ้นไปเป็นอลำดับดังนั้นบรรดาที่มีศิริลูหาทั้งหลายได้มาอบรมในสถานทีน่นี้พอเป็นเวลานานพอสมควร เป็นครูงานนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้น้องเข้ามาสถิตไว้ที่จิตใจของตนอย่าได้คิดว่าเราจากครูจากอาจารย์ไปจากวัดจากวาไปอันนั้นเป็นกิาอันหนึ่งให้คิดถึงในข้ออัดข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมทุกวรแก่ธรรมผู้นั้นชื่อว่าบูชาระถาคตในกรณีได้แก่การประพฤติปฏิบัติ ของเราเรามีเราอยู่ในสถานที่ใดอิริยาบถใดมีความข้วดกวดขันมีการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ภายในจิตใจระมัดระวังอยู่ด้วยควา ม, มาระมัดระวังเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรจะทำและบูชาตถาคตคือดูบูชาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาบทที่สองผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราตถาคต เห็นธรรมนี้เห็นยังไง ร, รู้ธรรมรู้ยังไงปฏิบัติธรรมเพื่อความเห็นธรรมปฏิบัติอย่างไรก็ดังที่เราปฏิบัติอย่างนี้อ่ะทางจิตต่อภาวนาเป็นสำคัญนี่คือการปฏิบัติธรรมการเห็นธรรมก็จะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นสิ่งที่จีดที่ขวางอยู่ภายในตเองเวลานี้ซึ่งเราถือว่ามันเป็นข้าสึบต่อเราได้แกสัจธรรมสองบทเบื้องต้นคือทุกหนึ่งสมุทยัย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 เหมือนกับมองเห็นพระสถาคตอยู่ได้ด้วยข้อปฏิบัติของเราน่อยมีเห็นแน่หนึ่งเห็นด้วยทางเหตุคือการปฏิบัตินี่แล้วก็เห็นด้วยทางผลสิ่งที่พึ้ได้รับโดยลําดับลําดับเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงผู้ทรงเห็นทรงได้รับและผ่านไปโดยลำดับแล้วนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีไม่ได้ห่าเหินจากใจของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาสถาคตหรือบูชาพระธรรมพระสงฆ์นี่เลย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 อยู่ที่ไหนแล้วก็บำเพ็ญเพื่อความละความถอนย่อมจะละได้ถอนได้เพื่อการบาเพ็ญด้วยกันโดยไม่หมายถึงสถานที่นั่นสถานที่นี้เพราะสาคัญอยู่ที่การปฏิบัติเพื่อการละการถอนนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านลงสั่งสอนสาวกไปเถิดพิสุททั้งหลายเธอไปหาอยู่ในที่สงบสงดเป็นปุ้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 ตรงหน้าเราถาโคตถ้านั่งอยู่ด้วยความประมาทก็หาได้พบตถาคตไม่หาได้เห็นตถาคตไม่หาได้เฝ้าสถาคตไม้เราไม่ถือว่าการเข้ามาการออกไปชนนี้เป็นการเข้าเฝ้าตถาคตและการออกไปจากตถาคตแต่เราถือถึงความเพียนทั้งคันต่างหากนะการต่อจีเรศได้มากน้อยชื่อว่าเข้าเฝ้าเราโดยลําดับลาดับหรือคิดว่าเราเห็นตถาคตไปโดยลําดับลําดับมีเป็นหลังใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกว่าไปเถิดน่ะสั่ง ไฮฮาร์ตประกอบความภาคเพียรเพื่อถอดทอนวิเยศซึ่งเป็นค่าศึกอยู่ภายในจิตใจของผมให้หมดสึ้นไปโดยกำลังแ ล, และพวกเธอทั้งหลายจะเห็นนักานโคตเองว่าอยู่ในฐานที่ใดนะโดยไม่จําเป็นจะต้องมามองดูนักฐาโคตนี้ว่าเป็นนักาคตรขอให้ถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจของพวกเธอทั้งหลายให้ได้จนกระทั่งหมดโดยชิงเชิงนี้เธอทั้งหลายจะเห็นนักานโคตอันแท้จริงซึ่งเป็นสมบัติของพวกเธอแท้อยู่ภายในใจของพวกเธอนั่นแห ล, ละแล้วนํา ธรรมชาตินั้นมาเทียบเทียบกระถาคตว่าเป็นอย่างไรแล้วจะมีอะไรสงสัยเพราะธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นเหมือนกันนี่ทางก็ว่าของวุิชาติเป็นหลักสำคัญอย่างนี้การทำจิตใจการทำตัวให้เป็นคนดีชือว่าเป็นการส่างสมความฝูกความกระเริอนขึ้นภายในจิตใจตนโดยลำานักผลก็คือความสุขนั่นเอง สึ่งทื่ที่มันเกิดความหาความสุขไม่ได้หรือมีความสุขไม่สมบูรณ์พความมีสิ่งจิตขวางที่ให้เกิดความสุกขอันสมบูรณ์อยู่ภายในจิตใจของเราแต่ใจกิเลสไม่ใช่ไม่ใช่ได้ใจอะไรนะมีกิเลสท้องนั้นที่เป็นเครื่องจิตขว้างเสียแทงจิตใจของสัตว์โลกอยู่ที่มาเห็นความสุขอันสมบูรณ์การทุกการําความทุกความลําบากทั้งภายในภายนอกส่วนมากขึ้นจากกิเลสไม่ใช่เรื่องอื่นเช่น มีเจ็บไข้ได้ป่วดภายในร่างกายอย่างนี้ก็จะมีเรื่องของจปลียนแทะเข้ามามัานเราเจ็บนั่นเราปวดนี้เกิดความโกรธกวายและสามราสายขึนมาภาในใจิตใจนี่ก็เป็นทุกขางใจอีกประเภทหนึ่งแทรกขึ้นมาจากโรคภายในกายถ้าเพียงโรคภายในกายธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นได้สาโรค ก, ก็เป็นได้เพราะขันอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติ่สมมุติอยู่แล้วคือเรื่องไใจละใครจะ ห้ามพ้นอันนี้ไปไม่ได้เมื่อมีท่ามีขันก็คิดว่ามีสมมุติก็ต้องอยู่ใต้กฎธรรมชาติใต้ใต้กฎหลักธรรมดาต้องมีความแปรสภาพไปธรรมดาครัจายนั้นไม่มีความหม่นไหลเพราะรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วโดยรอบครอบไม่มีอะไรที่จะโห่พานจิตใจแต่พวกเราไม่เป็นเช่นนั้นมาทุกเกิดขึ้นภายในร่างกายมากน้อย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 ก็ยังไม่พอกับความต้องการยังมีความหิวกวามโยเป็นธรรมดาถ้าเรียนธาตุเรียนขันเรียนจิตใจจบไม่มีความหิวโหวยพอตัวอย่างเต็มที่ประจักษ์กับจิตใจเวลานี้เรายังบกท่องในพิชาขันาธาตปฏิบัติในขันพิชาคือความรู้แจ้งแทงทะลุในธาตุในขันนี้ว่าเขาเป็นอะไรบ้าง นักควรจะแยกแยกกันให้เห็นตามความจริงอย่างไรบ้างอะไรจริงอะไรปลอมเราเรียนยังไม่จกเราเรียนยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นมันจึงวกจึงวนจึงวุ่นจึงวายอยู่ภายในธาตุในขันในใจิตในใจนี้เท่านั้นสถานที่วุ่นวายไม่วุ่นที่ไหนวุ่นที่ธาตุที่ขันที่จิตที่ใจซึ่งเกิดเรื่องเกิดราวการชำระยังไม่เสร็จในสิ่ง น, นี่แหละเพราะฉะนั้นการเรียนที่นี่จึงเป็นการชำระคดีซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันอยู่มีปัญญาเป็นผู้รักษาเครื่องตัดฉินไปโดยลำดับลำดับ เรียนให้จบขันมีอะไรบ้างนี่เคยพูดให้ฟังเสมอรูปประขันก็ร่างกายทั้งร่างไม่มีอะไรยกเว้นรวมแล้วเรียกว่ารูปประขันคือกายของเราเอง เ, เวทนาขันความสุขความทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจ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 กลิ่นลดเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกริางกายของเรารายงานเข้าไปสู่ใจเป็นความรับทราบในขณะที่กิ่นนั้นสัมผัสตามขนะดของมันแล้วดับไปตามสิ่งนั้นที่ผ่านไปมีท่านเรียกว่าวิญญาณนี่เป็นวิญญาณในขันห้าวิญญาณในขันห้ากับปฏิสนณฑที่วิญญาณนั้นต่างกันปฏิสัณฑที่วิญญาณนั้นหมายถึงมโนหรือหมายถึงจิตโดยตรง จิตที่จะก้าวเข้าสู่ปฏิสิณท่วิญญาณในกาเนตรต่างๆท่านเรียกว่าปฏิสิณทิวิญญาณหมายถึงใจโดยตรงส่วนวิญญาณในขันห้านี่มีความเกิดดับไปตามสิ่งที่มาสัมผัสสิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วดับไปวิญญาณก็ดับไปพร้อคมคือคำคือความรับทราบดับไปพร้อมขณะที่สิ่งนั้นผ่านไปแต่ปฏิสิณที่วิญญาณนี้หมายถึงใจทราบตนเองอยู่โดยลําดับโดยโดยลําพังมีความรู้ยโดยลําพังอันนี้ไม่ดับ คือขันห้าเรียนขันห้าเรียนทบทวนให้เป็นที่เข้าใจอันใดที่ยังไม่เข้าใจเรียนหหลายสลบทบทวนคุยเสียขุดค้นกันอยู่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นที่เข้าใจนี่สถานที่ทำงานของผู้ที่จะรื้อจิเลตัญหาเสวะออกจากจิตใจที่เรียกว่ารื้อถอนวัตะวลนคือความหมุนเวียนแห่งจิตที่เกิดในกำเนิดต่างๆไปเที่ยจับจองป่าช้ามันนี้สิ้นสุด ทั้งๆที่ทไม่ตายก็ไปจับจองไว้แล้วก็เพราะเหตุแห่งความหลงในขันความไม่รู้เรื่องของขันจึงต้องปฏิหารยึดขันทั้งที่ขันนี้ยังอยู่ก็ยังไม่พอนำไปยึดไปหลงไปอีกเรื่อยๆไม่มีความพิสุจถ้าแม่ปัญญาเข้าไปพิสูจน์พิจารณาจะมาทั้งตัดได้อันยะใครเรียนเรื่องขันรูปประขันก็คือตัวสัจธรรมก็ตัวสติปรฏฐานสี่ว่าอะไรเหมือนกันหมด มันเป็นไวโพจน์ของกันอาการรมใช้แทนกันได้เราพิจารณาเนอาการใดอาการหนึ่งก็ถูกเรื่องของสัจธรรมถือถูกถูกเรื่องของสติปัฏฐานสี่ปกติไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกายก็เป็นกายอยู่อย่างนี้ในเวลาโรคภยัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกายก็เป็นกายรูปก็เป็นรูปอยู่เช น, นี้เ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 แต่อย่างลี้ลับก็มีแต่อย่างเปิดเผยก็มีแต่อยู่ตามหลักธรรมชาติคงตนทุกทยะทุกวินาทีลึก ห, หรือบาวินาทีมันก็ยังห่านไปทุกขณะไปเลยทุกเวลาไปเลยมันแปงมันอย่างนั้นแปลเรื่อยๆความแปลเรื่องความทุกข์ก็แสดงตัวอยู่เรื่อยๆไม่เคยหยุดเคยนิ่งนอนเลยคนเรายังมีการหลับการนอนการพักผ่อนให้สบาย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 ช่วยตัวเองมีเป็นความเข้าใจผิดที่เป็นความเห็นผิดของจิตซึ่งมีที่เดลสเป็นเครื่องกระสึกนะส่วนตัวจริงก็เหมือนกับ น, นักมวยเขาขึ้นเวทีครูเขาจะสั่งสอนอบรมกันตั้งแต่ที่ยังไม่ขึ้นเวทีเมื่อก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วไม่มีทางที่จะแนะนำสั่งสอนอย่างไรผิดกับถูกเดียวกัทั่วเป็นตายก็ต้องตัวเองต้องช่วยตัวเองอย่างเต็มกําลังความสามารถรูยวิธีที่จะโชคจะต่อยอย่างนะ อย่างไรนั้นจะไปสอนไม่ได้เวลาหนีเวลาเราเข้าสู่สงครามฝึกตาจนภายในท่านในขันสะพ้ออย่างยิ่งเวลาจะแตกจะสลายนี่มันก็เหมือนกับอีแรงอีกาที่มาจับต้นไม้เวลามาจับ ก, ก็ไม่พรากระเทือนอะไรมากนะแต่เวลามันจะไปบางทเขยิ่าเห่งมันไหวหมดทั้งกิ่นบางทีหากกิ่งมันตายนี่พื้นไม่นหน า, นานมันคงหักะไปก็มี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 สติปัญญาย่างลงไปถ้าเห็นความทุกข์ความร้อนอันนั้นประจับด้วยปัญญาแล้วย้อนดูจิตใจของลรามันแดงโลดอย่างนั้นไหมมันร้อนอย่างนั้นไหมหรือมันร้อนตั้งแต่ธาตุแต่ขันถ้าเป็นผู้มีปัญญาเราได้พิจารณาทางด้านปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอชนี้แล้วใจเราจะไม่ร้อนใจเราจะเย็นจะสมายอยู่ในชะั้นกลางแห่งความเพลิงคือขันที่กําลังทุกโครงพ ง, งอยู่ด้วยความทุกข์นั่นแหละ ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่คือว่าเราช่วยตัวเราเองทพิจรณาอย่างนี้เราไม่ต้องไปคิดหวังพึ่งใครในขณะนั้นเรียกว่าเข้าขึ้นบนเวทีเมื่อ้ตั้งหน้าสู้กันนะต้องสู้ให้ถึงเห้ถึงผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายใครจะหาลงเวทีไม่หาไม่ทั้งขาสู้จนเต็มกําลังความสามารถทของเราด้วยปัญญาของเรานั่นยสู้เอาเฉยแบบคนเฉยเก็ไม่ใช่ เพินขึ้นไปให้เขาตอ่ตอยเอาต่อยเอาโดยที่เราไม่มีปิดมีป้องไม่ต่อสู้เขาเลยนะี่ใช่ไม่ได้เราต้องสู้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มถ้วปิด ก, กำลังความสามารถของเราสู้กระเวทนาก็คือการพิจารณาเห็นตามความจริงของมันอย่าไปบังคับให้มันหายคํบาบังคับให้มันหายททมันผิดคติธรรมดานอกจากการพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันรูปเป็นรูปอย่าไปเอาอะไรมาขัดมาแยง้งอย่า อ, าอะไรมาแทรกมาแสงว่าให้เป็นอย่างอื่น รูปเป็นรูปกายเป็นกายสักแต่ว่ากายสักแต่ว่ารูปน่นเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจะสุขก็าตามจะทุกก็าตามจะเฉยก็าตามมันเป็นเรื่องเวทนาอันหนึ่งๆเท่านั้นผู้ที่รู้ว่ากายผู้ที่รู้ว่าเวทนาความสุขความทุกข์ควาเฉยคือไข่ถ้าไม่ใช่ใจนี่ใจไม่ใช่ธรรมชาตินั้นให้แยกกันออกให้เห็นกันดุจความชัดเจนโดยทางปัญญาดิฉันนี้ชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาสัจธรรมโดยถูกต้องแล้วเราจะไม่หวัน่นไม่ไหว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 ฝึกหัดตนโดยทางสติปัญญาจนมีความสามารถแล้วจะเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นแต่ถ้าสติปัญญาอาภาพัพจิตจั้งแล้วก็ท้อแท้อ่อนแอถอยหลังแล้วเรื่องความทุกข์จะรุมเข้ามาสู่ที่จิตใจทั้งหมดเพราะใจเป็นผู้สั่งสมทุกข์ขึ้นมาเองด้วยความโง่ของตนเองนั่นะเพราะฉะนั้นความท้อถอยจึงไม่ใช่ทางที่จะชำระตนให้พ้นจากทายทั้งหลายไปได้นอกจากความขยันมันเพียรนอกจาก ความเป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะได้ชัยชนะไม่มีอย่างอื่นที่จะได้ความเด่นความดิบความดีความสงาา่าผ่าเผยความองอาจกาหายขึ้นภ า, ายใิตใจเราพิจารณาอย่างนี้สมมุติว่าเราอยู่ในบ้านปราศจากครูปราศจากอาจารย์ครูอาจารย์ได้สอนไว้แอย่างไรปราศจากที่ไหนท่านสอนว่าอย่างไรนั่นแหละคือองค์ท่านนั่นแหละคือองค์ประโถาคตนั่นแหละคือองค์พระธรรม เราอยู่กับพระธรรมเราอยู่กับพระเจ้าพระพระสงค์อยู่ตลอดเวลาโดยเพระอาวโลกุนมาพุทธิบัติก็ร่วนแร้าทั้งแต่เรื่องของท่านทั้งนั้นเราไม่ได้ปรัชญาครูปรัชญาอาจารย์เราหนีมีเราอยู่ด้วยความมีที่พึ่งคือมีสติมีปัญญาไม่จะพาความเพี้ยน <c oughs> ลบฟันหันแหลกกันกับสิ่งที่เป็นข้าศิกอยู่เช่นนี้แต่ว่าเราปรัชญ า, าครูได้ยังไงเราอยู่กับครูแล้วก็รู้ก็ต้องรู้แบบนี้ครู นคือวิธีการแข่งการปฏิบัติตนไม่มีความว่าเวกไม่มีความหวั่นไหวให้มีความแน่วแน่ตามความจิงแห่งธรรมที่ครูที่อาจารย์ได้สั่งสอนไว้แล้วถือยึดเป็นหลักเป็นเจนอยู่ภายในจิตใ จ, จเสมอดูที่ไหนก็เรียกว่าเราอยู่กับครูกับอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะพุทธธรรมสังฆะอันแท้จริงแล้วดู่กับจ มีกิจเท่านั้นจะเป็นผู้รับพุธทธธรรมสงฆ์ได้หรือทำทั้งทั้งดวงได้มีจิจเท่านั้นผู้ที่จะอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ได้มีจิตไม่ไม่ไม่ใช่อะไรทั้งหมดกายมันไม่รู้เรื่องมันจะไปรู้เรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ได้ไงเวทนามันก็ไม่รู้เรื่องเนยจะ่าสัญญาเพียงจํามาให้แล้วหายเนี่ยไปสัญญาสังขาตรตุ้มขึ้นแล้วหายเงียไปมันเป็นสาระอะไรที่จะพอรับพระพุทธเจ้าวัดภายในตนเนี่ย ผู้ศรัทว่าจริงๆผู้ที่เข้าใจเรื่องพุทธเจ้าจริงๆและผู้ที่จะเป็นพุท ธ, ธะอันแท้จริงก็คือจิตนี้เท่า น, านั้นนั้นจะให้พิจารณาจิตให้เต็มเม็ดเต็มหน่ะรัท้อถอยอ่อนแออย่างไรเราทุกคนต้องก้าวเข้าสู่สงครามที่เป็นเรื่องใครช่วยไม่ได้ด้วยกันทุกคนนอกจากเราจะช่วยตัวเอง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 การแสดงถังประเพณีระส่งส่วนขอยู่กับเพื่ั